ในการปฏิบัติจริงๆเนี่ยกรอบของมันมีเท่านี้เองพูดให้ย่อกว่านี้ก็ได้นะหผมพ่อเคยศึกษากพระอาจารย์มหาบัวเขาเคยสอนหวพ่อการปฏิบัติเนี่ยนิดเดียวมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันประโยคสั้นนิดเดียวนะมาองสั้นกว่านี้อีกนะมีหลวงปู่ทาตอนนี้ยังอยู่อยู่ทําซับมืดมีสติรักษาจิตสั้นนิดเดียวหลวงพูดดูอยู่สั้นนะดูจิตสั้นนิดเดียว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 ถ้ารู้ลงกายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันอย่าให้เกินนี้ออกไปถ้าเกินนี้ออกไปก็ไม่ใช่วิปัสนาแะ้วอย่างจะไปรู้ความว่างไปรู้สุญญตารู้อะไรอย่างนี้นะเราพุทธเจ้าไม่ได้สอนไหมท่านสอนให้รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมก็คือเรื่องของกายกระใจล้วนๆนั่นเองนี่ส่วนมากเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้เป็นเรื่องตลาดนะเราอยู่กับกายกระใจตัวเองมาตั้งแต่เกิดเลย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 แล้วก็จำเรื่องราวขึ้นมาได้ไม่ได้เจตนาจะจำมันจาได้ขึ้นมาพอจำได้ปับ๊บมันโมโ ห, โหขึ้นใหม่ละความโกรธเกิดขึ้นมันก็โกรธของมันเองนะจิตมันโกรธของมันเอง<ม>ตรงนี้ไม่เป็นไรนะตั้งแต่จุดเริ่มต้นตั้งแต่ใจมันนึกขึ้นมาใจมันคิดขึ้นมานะจนกระทั่งกิเลสเกิดขึ้นมาก็ ย, ยังไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เป็นเรื่องกระบวนการทางานปะกะติของจิตใจนั่นเอง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 นะแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปแล้วทําทยัางไงจะไปแก้แค้นมันได้นะตัวเนี้ตัวเริ่มปัญหาแนละ้วจิตใจจะเริ่มมีความทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในขณะที่สภาวธรรมใดๆเกิดขึ้นนะจะเป็นความสุขความทุกข์กุศลอกุศล น, นะสภาวะธรรมเกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ใช่ปัญหานะอย่างเช่นเราเดินช้อปปิ้งไปนะไปเห็นของสวยๆอยากได้ขึ้นมานะใจมันมีโลภขึ้นมาตัวนี้ยังไม่ใช่ปัญหาแต่พราะ เกิดโลภะขึ้นมาเนี่ยใจมันจะดิน้นเนี่ยตรงที่ใจมันเริ่มดิ้นเนี่ยแหละตัวปัญหามีกิเลสขึ้นมาแล้วเกิดการกระทํากรรมเกนะิดการกระทํากรรมคือเกิดการดิ้นรนทางใจใจมันจะดินด้นดิ้นดิ้นเนี่ยตรงที่ใจมันดิ้นรนนี้แหละเป็นตัวปัญหาในปัจจุบันลนะทันทีที่จิตใจมันเริ่มดิ้นเน่จิตใจมันจะมีความทุกข์จิตใจที่ดิ้นนี่เรียกว่าภพนะภาษาบาลีเรียกว่าภพพอสำเพอพอผานชื่อเต็มๆว่ากรรมมาภพ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 เนีย่ยพอมันนึกถึงคนนี้นเปลี่ยนน้าอยากฆ่าเขาวางแผนฆ่าเขาในี่ใจปรุงแต่งแนะล้วใปรุงแต่งหรือว่าโทสะเกิดขึ้นมาพอสติไปเห็นโทสนะเสร็จแล้วไม่ชอบโทสะอยากให้โทสะหายนะรีบพิจารณาอะไรต่ออะไรใหญ่นะรีบเจริญเมตตาอะไรนี่คือความปรุงแต่งใหมนะ่คือกรรมใหม่นะหรือว่านะราคะเกิดนะจิตใจก็ทํางานปรุงแต่ง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 มันจะเห็นความจริงของสภาวธรรมเลยสุขก็เกิดชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์เกิดชั่วคราวแล้วก็หายไปแต่เดิมความสุขเกิดขึ้นมาก็หลงยินดนะีเกิดการทํางานอยากรักษาเอาไวนะ้หรือดิ้นรนคนควาอยากให้ได้ความสุขมาอีกนะแต่เดิมความทุกข์เกิดขึ้นก็ยินร้ายหาทางขจัดหาทางทําลายมันนะหรือหาทางป้องกันไม่ให้มันเกิดอีกนะมันจะเกิดการทํางานอย่างงี้ยนะเพราะว่ายินดียินร้าย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 จิตจะเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นนะจกนกระทั่งหมดความปรุงแต่งอย่างแท้จริงเพราะงั้นการที่เรามีปัญญานะปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่จะแก้ปัญหาถารวณปนะัญญาสูงสุดเลยคือการเกิดอริยมรรคจะไม่มีกิเลสขึ้นมาอีกไม่มีความปรุงแต่งขึ้นมาอีกอนะันนี้หมายถึงถ้าปฏิบัติสุดขีดแล้วนะเจนถึงอรหัตมรรคผ่านไปแล้วเนี่ยจิตจะไม่ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาอีกแล้ว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 เพราะว่าสภาวะก็คือรูปกับนามกายกับใจนี่เองถ้าเรารู้แจ่มแจ้งเนี่ยรู้เลยทั้งรูปทั้งนามนี่เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะมันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้แล้วมันจะไม่ดิ้นอีกต่อไปละเพราะฉะนั้นการที่เรารู้กายรู้ใจเนี่ยสำคัญมากนะตั้งแต่เบื้องต้นเลยจากปุถุชนจะขึ้นทะโสดาบันเนี่ยก็ต้องรู้กายรู้ใจไม่ใช่รู้อย่างอื่นรู้กายรู้ใจจนเห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราหรอก นะตัวเราไม่มีในกายในใจนี้ตัวเราไม่มีนอกเหนือจากกายและใจนี้ด้วยตัวเราไม่มีในที่ใดๆมีแต่กายกใจทํางานของเขาอย่างอิสระแต่และตัวแต่และตัวเขาทํางานของเขาไปเพระโสดาบัตก็เห็นเรื่องกายเรื่องใจพระเศกษฐีตาคาก็เห็นอย่างเดียวกันนี้แหละแต่สติเป็นไวนะสติเป็นไวอกูศลญยากลายเกิดไม่ได้แล้วแเขากิเลสไหวตัววัดสติเห็นเลยขาดสะบั้นตรงนั้นเลยนะ อาสกิทาคาเลยกิเลสเบาบางเสร็จแล้วเราก็รู้กายรู้ใจต่อไปนะจนกระทั่งวันหนึ่งอันเดี๋ยให้เราบิดมอนไปก่อนเพรถึงวันหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นความจริงของกายแจม่มแจ้งจะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเนี่ยพอเห็นอย่างนี้หมดความยึดถือในกาย ทันทีที่หมดความยึดถือในกายนี่นก็คือการหมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายในเหน่งเพราะตาก็คือกายหูก็คือกายจมูกลิ้นก็คือกายนะกายก็คือกาย mm. เมื่อเราไม่ยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันจะไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสและผดท่าพระผดท่าพะคือสิ่งที่มากระทบทางกายเช่นความเย็นความร้ ren, ๆๆอนความอ่อนความแข็งอะไรพวกนี้นี่สิ่งเหล่านี้มากระทบมันจะไม่ยึดไปด้วย สภาว่าเหล่านี้เกิดขึ้นรูปเสียงกลิ่นรสประทับภาใดๆเกิดขึ้นในใจมันจะเป็นกลางอัตโนมัตินะไม่มีความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสประทับภาอีกต่อไปนะเพราะไม่ยึดกายผู้ที่หมดความยินดียินร้ายนะในตาหูจมูกลิ้นกายในรูปเสียงกลิ่นรสโระทับภาพนี่คือพระอนาคามีจะละกามและปฏิฆาได้โดยอัตโนมัตินะ เพราะว่ากามมันก็คือความเพลิดเพลินพอใจในรูปเสียงกยลิ่นรสผลิตภัะฑ์ปฏิฆาก็คือความไม่ชอบใจในรูปเสียงกยลิ่นรสผลิภัณฑ์นั่นเองเพราะฉะนั้นภาวนาไปเนี่ยมันจะละความยึดถือกายได้ก่อนต่อไปมันจะรวมเข้ามาที่จิตอันเดียวเลยมันจะยึดถืออยู่ที่จิตอันเดียวนกะ็ต้องดูต่อไปอีกจนกระทั่งหมดความยึดถือจิตเพราว่าเห็นว่าจิตไม่เที่ยงบางท่านเห็นว่าจิตไม่เที่ยงนะ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 ถึงจุดหนึ่งเราสลัดคืนสลัดคืนกายสลัดคืนใจให้โลกเข้าไปจิตใจเราก็จะคืนปับสันที่สุขที่แท้ จ, จริงมันจะหมดความดิ้นรนหมดความทยานอยากในใจทั้งสิ้นการรู้ทุกแจ่มแจ้งรู้ว่ากายกใจเป็นทุกแจ่มแจ้งเนี่ยจะทําให้หมดรักหมดยึดพอหมดยึดเนี่ยมันก็หมดอยากหมดความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขหมดความอยากนะ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 ดังนใครถนัดรู้กายก็รู้กายนะแต่อยากรู้กายอย่าลืมทําสมาธิบ้างให้ใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนีย่ยครูบาอาจารย์วัดป่าท่านจะทําสมาธิก่อนที่จะมาดูกายท่านทาพุทโธหรือลมหายใจนะทำไปเรื่อยๆจนใจตั้งมั่นเป็นหนึ่งขึ้นมาเมื่อใจตั้งมั่นแล้วเนี่ยมาดูกายจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราเลยร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนะเป็นของที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนะ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 เกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูก็ดับที่หูเกิดทางใจนะจิตหนีไปคิดคิดคิดแวเดี๋ยวเดียวก็ดับอีก mm hmm. อย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมฟังไปคิดไปสังเกตจากของจริงๆรนะฟังไปคิดไปฟังไปคิดไป mm hmm. คนทั่วทั่วไปก็ฟังไปคิดไปแต่ไม่เคยเห็น mm hmm. นี่พวกเรามาหัดภาวนาเราหัดสังเกต mm hmm. นั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ย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 สังเกตให้ดีขณะที่เราคิดเนี่ยบางครั้งรู้เรื่องที่คิดบางครั้งไม่รู้เรื่องที่คิดคิดอะไรก็ไม่รู้นะแต่ขณะที่คิดนั่นแหละเราจะลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไร่ลืมใจเมื่อนั้นไม่ได้ทํามิปัสนานะมิปัสนาคือรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะรู้ตามความเป็นจริงคําว่าเป็นจริงคือเป็นไตรลักษณนั่นแหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้คอยรู้เอานะคอยรู้ไปเรื่อยๆ มีคนไปส่งกันบ้านที่วัดหลวงพ่อเยอะนะวันวันห น, นึ่งหลายสิบงวันเยะเป็นร้อยสองร้อยอางรเงี้ยคนไปส่งกันบ้านรุ่นหลังๆเนี่ยเริ่มมีแบบนี้นะฟังซ d ดีไม่เคยเจอหลวงพ่อฟังแต่ซีล้ว่าไปรายงานการปฏิบัติมากฟังเห็นแต่สภาวะเกิดดับนะเห็นจิตใจมันทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดเลย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 ก็ใจสบายรู้ว่าสบายไม่กลับมาดูจิตดูใจได้ลนะเเรนั้นสมถ ะ, ะก็ทํำทําต า, ามความจําเป็นแต่ทำทำมากแล้วก็ติดในความสงบเฉยๆไม่ยอมเดินปัญญานี้ใช้ไม่ได้เลยเนะสียโอกาสนะเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างนี้ทั้งทีนะต้องเจริญปัญญาต้องทํำมิปนะัสนาสมถะนั่นเป็นเรื่องง่ายาศาสนาอื่นเขาก็มีนะไม่ใช่ของลึกลับอะไระใครๆก็ทํากันเยอะแยะ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 เพาโยมมีมากมายจํานวนก็เยอะนะภาวนามาก็แปลกๆ ก, กันนะ <c oughs> นี่หลวงพ่อต้องพูดแบบกลางๆเห็นกลางๆ <c oughs> แบบมาจากสํานักไหนฟังแล้วได้หลักไปนะเทาไปทําอย่างเดิมได้ทําได้ะ <c oughs> ใครเคยพุโทโธก็พุโทโธไปนะพุโทโธพุโทโธไปแล้วก็หัดสังเกตใจพุโทโธแล้วใจหนีไปก็รู้ใจสงบ ก, ก็รู้ใจพุ้งซ่านก็รู้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 มันอยู่ในชีวิตประจําวันได้จริงๆนะหรืออาณาปานสตินะขับรถแล้วก็รู้หายใจเข้าหายใจออกเหนือก็ชนกับเขานะแต่ถ้าขับรถตื่นตัวรู้สึกตัวถูกเขาปาดหน้าโมโหรั่วโมโหนี่ปิดไฟแดงแล้วหงุดหงิดรั่วหงุดหงิดนี่นะนี่กรรมฐานที่อยู่ในชีวิตประจําวันนะที่มันเหมาะกับคารนะคือหัดดูจิต ด, ดูใจตัวเองไปมันไม่มีรูปแบบไม่มีพิธีการคนอื่นไม่รู้ว่าเราปฏิบัติ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 หลายคนเลยที่ฟังฟังนะไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยเวลามาส่งกันบ้านนะโอโห้หหน้าฟังจำนวนมากเลยที่มารายงานการปฏิบัติบอกว่าดิฉันไม่ได้ปฏิบัติแต่สติเกิดทั้งวันเลยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะรู้สึกตัวจิตเป็นสุขเป็นผู้เป็นกุศลอกุศลรู้ทันนะแต่ทั้งนอนหลับนะคลิกซ้ายคลิกขวายังรู้สึกเลยนะคลิกซ้ายคลิกขวายังรู้สึกจิตไหลวิคิดปับรู้สึกเลยนะ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 กายกระใจเราคือธรรมะตัวจริงกายเป็นธรรมะเรียกว่ารูปธรรมใจเป็นธรรมะเรียกว่านามธรรมาถ้ารู้รูปธรรมรู้นามธรรมาแจม่มแจ้งเข้าใจความเป็นไตรลักษณ์ของเขาวางความยึดถือกายยึดถือใจแล้วเราจะไปพบธรรมอีกชนิดหนึ่งคือนิพพานนิพพานไม่ใช่เรื่องหลอกเด็กนะนิพพานไม่ได้อยู่ไกลๆนิพพานไม่ใช่อยู่ในวัดนะ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 ในมหการหลวงพ่อคะ่ะเรื่องขออริยที่เธอกราบเรียนผลการปฏิบัตินะคะพระเจ่าก็จะถูกผิดประการใดคือเริ่มเริ่มตั้งแต่จเจริญสติปัฏฐานสีนะคะปฏิบัติไปก็สู่พัฒนายานที่เห็นไกลลักเห็นไตรลักเนี่ยจะเน้นหนักในความที่เป็นอนัตตาคือความว่างนะคะแล้วก็พัฒนาสู่การเห็นอริยสัจสีตัวที่รูปคู่กษัติ เราก็มีความรู้สึกว่าทุกข์กษัตริย์เนี่ยเป็นเหตุทําให้ละตัณหาได้ไม่ใช่อย่างที่เคยทราบมาว่าตัณหาเนี่ยคือสมุทัยเนี่ยเป็นเหตุให้ละทุกแต่ทางด้านปฏิบัตินี้รู้สึกว่าทุกเป็นเหตุตัณหาที่ทําให้ละตัณหาได้หรือสมุทัยได้ในขณะเดียวกันนั้นก็จะแจ้งนิโรธโดยอัตโนมัติทั้งนี้ก็โดยมีมรรคเป็นคู่ดําเนินงาน ต่อมาก็ปัญญาจะเห็นอริ ย, ยสัจสี่ที่ปกติจะแยกเรียกฐานกันเป็นทุกข์สมุทัยนีิยดมากจะเห็นว่าแต่ละส่วนนี้ล้วนเป็นอนัตตาคือความว่างหรัษจากตัวตนที่แท้จริงในที่สุดก็มาเห็นว่าไม่ได้แยกแต่แยกอะไรกันเลยมาเป็นจุกเดียวกันที่เป็นอนัตตาความว่างอยู่ที่สุดเดียวกันนะคะทีนี้ ปัจจุบันนี้เนี่ยจะเห็นความเป็นอนัตตาในโลกภายในกายยาวาณนะคื อ, ควอกว้างตอเนี้คือทั้งกายและจิตนี้เป็นอนัตตาหรือความว่างจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบความว่างของโลกภายนอกอจั ก, กรวาลทั้งหลายสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่ร่วนเป็นเพียงภาพมารยาลวงตาหลวงใจเท่านั้นทำทั้งหลายร่วนเป็นอนัตตาความว่างปราศรากตัวตนที่แท้จริง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 ยังมีการเคลื่อนไปเคลื่อนมานะะนโยมใหม้ให้ไปรู้ทันตัวนี้หนะ่อ<ะ>ยโยมรู้สึกไหมบางทีใจมันอยากพูดขึ้นมาเสร็จริ้วๆขึ้นมาเราก็รู้ทันมันน ะ, ะใจแอบไปคิดเราก็รู้ทันมันเนี่ยขณะนี้แอบไปคิดให้รู้ทันมันนะคือถ้ามันเข้าถึงการเห็นอริยสัจอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยจิตมันจะไม่มีการแยกเป็นสองส่วน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 จิตในขณะที่ปฏิบัติกับจิตที่นอกวิธีปฏิบัติเนี่ยมันยังทํางานไม่เสมอกันน่ามยังไม่เสมอเนี่นยโย ม, มะะไปรู้ตรงเนี้ยค่ะแต่ในภาวะที่อยู่ในใ น, ในการที่ปะกัดปฏิบัติเนี่ยนะคะจะรู้สึกเป็นหนึ่งน่าเป็นหนึ่งแล้วก็ปราจัะตรงตนและการคุ้แข่งเนี่ยโยมถ้าโยมสังเกตเห็นได้ตรงนี้แนละ้วดีมากละคือเราสังเกตเห็นว่าจรงิงๆจิตเรายัางไม่เสมอกัน<ะ>ยังมีสองอยู่นะ ให้รู้ทันนะรู้ลงไปอีกแล้วมันตอบแทนจะเหลือหนึ่งตอนนี้มันเป็นหนึ่งเฉพาะในเวลาที่เราอ่านิพพานแบบมีเข้ามีออกนะนิพพานปลอมอ <laughs> นิพพานจริงๆไม่มีเข้ามีออกแล้วขอโทษนะคะเลื่องขอช้าใจลยอีกนิดหนะึ่งเพราะอยากจะทราบว่าที่ว่าท่านพูดทางตริยักว่ามรสีเนี่ยนะคะแล้วก็แต่ละครั้งที่เกิดเนี่ยจะไม่ซ้ํากัน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 เป็นอันเดียวครอบโลกจะไม่มีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วอย่างของโยมรู้สึกไหมมันจะต้องไปเข้านิพพานแล้วเข้านิพพานแล้วออกจากนิพพานมาอยู่ในโลกนะมีเข้ามีออกนะลหลวงพ่อเคยโดนครูบาอาจารย์องค์หนึ่งจวกเอาแม้จําแม่นเหมือนนะจําไปได้นานเลยนะจนป่านนี้ยี่สิบปีมาแล้วยังไม่ลืมแม่อนะาจารย์บุญจันทร์แม่อาจารย์บุญจันทร์ตอนนั้นไปสัมมาณาตอนนั้นยังเป็นข้าราชการยอยู่ไปสัมมาา ที่เชียงใหม่พอตกค่ำเขากินเลี้ยงกันค้าราชการชอบกินเลี้ยงทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ยากจนนะหลวงพ่อหนีห น, นีไปวัดไปวัดสันติธรรมไปกลับท่านอาจารย์ทองอินอาจารยทองอินรู้จักท่านท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศิษย์าไปถึงวัดสันติธรรมเนี่ยมันมืดแล้วมีพระองค์หนึ่งมายืนอยู่หน้าวัดพระหนุ่มๆเลย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 พ อ, อใจเราโล่งขึ้นมานะท่านหัวเราะเลยหัวเราะเสียงดังเลยหัวเราะดังเราก็คลึงใจที่หัวเรานะราตามไปด้วยเนะี่ยเราไม่ไม่ชำนาญไม่รู้ลูกเล่นของครูบาอาจารย์วัดป่านะท่านทดสอบเราเองเพราะเราที่มันทะลึ่งน่าดูเลยนะท่านแกล้งหัวเราะเราก็หลงตามพนะท่านหยุดตึกเลยนะอยู่ๆท่านหยุดตึกเฉยไม่มีอะไรเลยเราก็ตามท่านบ้างนะหยุดบ้างเฉย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 ไม่ได้สอนนะพิสูจทั้งหลายมีราคาแล้วให้ละเสือไม่ได้สอนอะไรเลยสอนง่ายๆเลยเดีย๋ยวพวกเราพอได้ยินบอกว่าให้ดูจิตสงมตดูจิตเราเริ่มตั้งคําถามแล้วนะจะเอาจิตไปตั้งไว้ตรงไหนดีจะตั้งไว้ตรงลิ้นฝีดีไหมหรือจะตั้งไว้ที่หัวใจหรือไง อันี่เป็นคําถามที่เกินกว่าที่พระพุทธเจ้าสอนนะนะพุทธเจ้าสอนแค่ว่าจิตมีราคาก็รู้ว่ามีราคานะเราชอบคิดให้เกินนะเอาจิตไปตั้งตรงนั้นจิตไปตั้งตรงนี้กําหนดอย่างนั้นกำหนดอย่างนี้นนนนะพุทธเจ้าสอนบอกว่าพิสูจทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยหลังในการคู่ในการเหยียดนยของเราก้าวไปก็ต้องมีหลายจังหวะอีกแันะ้วมีเท่านั้นจังหวะเท่านี้จังหวะทำไมพระพุทธเจ้าไม่สอน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 พวกเราควรจะลืมลืมอุบายซะบ้างนะแล้วกลับมาเรียนธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเรียนอริยสัจนี่แหละดีที่สุดอย่นนึกว่าอริยสัจเป็นธรรมชั้นสูงนะอริยสัจนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าใช้สอนคารวะทั่ ว, ท, วทั่วไปมันคือหนึ่งในห้าของธรรมะที่เรื่องอนุปุปพิกถาสอนคารวะทั่ ว, ท, วทั่วไปนี่แหละคารวะมาหาท่านใหม่ๆเลยไม่เคยฟังธรรมะมาเลยเนี่ยถ้าสอนอันที่หนึ่งให้รู้จักทำทานนะ ให้รู้จักถือศีลนะนี่ข้อสองนะทาทานถือศีลแล้วได้ขึ้นสวรรค์นะมีความสุขนะสวรรค์ก็ยังไม่ดีนะไม่เที่ยงแปรปรวนเป็นโทษน ะ, นะทางออกจากกรรมมีอยู่แล้วก็สอนอริย ส, สัจสี่ดังนนอริยสัจสี่เป็นธรรมะทั่วๆวไปที่ท่านสอนกระทั่งกับคารวาะหลายคนมาบอกว่าหลวงพ่อประโมทสอนเรื่องอริยสัจสอนสติปัฏฐานอะไรนี่ยากไปนะ ยากไปขั้นต้นต้องหายใจท่านี้ก่อนเนต้องเดินท่านี้ให้เป็นก่อนเลยนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้หลวงพ่อจำจำมาสอนต่อเ น, นี่ยท่านไม่ได้สอนว่าให้เดินยังไงให้นั่งยังไงให้หายใจยังไงกินข้าวมีกระบวน่า ย, ยัางไงอาบน้ำมีกระบวน่า ย, ยัางไงนีท่านไม่ได้สอนเพราะเราลองทบทวนนะลองอ่านพระสูตรดูคำสอนของพระพุทธเจ้ายัางอยู่ ไม่มีสิ่งที่อาจารย์รุ่นหลังๆสอนนะถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะสติจะเกิดเรื่องอัศจรรย์นะถ้ารู้ว่าเราต้องรู้กายต้องรู้ใจบ่อยๆอย่าใจลอยไปคอยรู้กายคอยรู้ใจฟังหลวงพ่อพูดอย่างนี้แหละถึงจุดหนึ่งสติจะเกิดขึ้นได้ร่างกายขยับไปเยืย่นเคลื่อนไหวมันจะรู้สึกขึ้นมาจิตใจของเราเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลมันจะรู้สึกขึ้นมามันรู้สึกเอง เสร็จแล้วมันจะเห็นเลยกายนี้ใจนี้เขาทำงานของเขาไปทั้งวันทั้งคืนนะเขาไม่ใช่ตัวเราหรอกเนะนี่ยละว่าเขาไม่ใช่ตัวเรานี่นะได้ทโศดาละต่อนะไปขยับะอะไรนิดนิดหน่อยหนสติเร็วรู้หมดเลยนะกิเลส ท, ที่รุนแรงเกิดไม่ได้ละนะต่อไปก็จะเห็นเลยกายนี้ไม่ใช่เรานะเขาหมดกามแล้วปฏิฆนะต่อไปก็อยาละความยึดถือจิตได้นะ รนั้นสังโยชน์เลือกสูงขาดตรงนั้นเลยฉะนั้นสัมมมีอยู่เท่านี้นะมีอยู่เท่านี้อยนึกว่ายากเกินไปสิ่งที่หลวงพ่อพูดสิ่งที่หลวงพ่อพูดนี่คือสิ่งพื้นๆที่พระพุทธเจ้าสอนไหมคนยุคนน้นกับคนยุคนี้มันก็ครเหมือนกันแหละแต่คนยุคนี้มันคิดมากหน่อยคิดมากมันก็ยากนาน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 ต้องทําอะไรเพิ่มไห้ครัไม่ทําให้รู้ตามความเป็นจริงเหมือนเดิมไหมเออความตาบมีรูปเดียวครับรู้ตามความเป็นจริงครับเวลาไปที่วัดหลงพ่อนะถ้าใครไปนั่งฟังแล้วจะงงนะคนหนึ่งมารายงานหมูนี้โทรสะเกิดบ่อยเออดีดีอีกคนหนึ่งมูนี้ใจนะสงบแล้วก็พุ้งซ่านพุ้งซ่านแล้วสงบเออดีนะดีใครมาบอกอะไรนะหลวงพ่อว่าดีหมดเลย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 มันดีขึ้นแล้วเพ่งน้อยลงใจเบาขึ้นสบายขึ้นโปร่งๆขึ้นแต่ขนานี้ไม่รู้สึกตัวรู้สึกไหม <c ười> ขนาเนี้ใจมารอคำตอบอยู่รู้สึกไหมแล้วอันนี้หายไหมอนนัอนนี้รู้สึกตัวบ้างยังครับยังกำลังอยากได้คำตอบรู้สึกไหมมีความอยากรู้สึกไหมรู้สึกไหมใจกำลังดิ้นลุกลิกลุกลิกอยู่เูออกไหม <c ười> กำลังบังคับตัวเองอ่ะทราบไหมถ้าฝับ <trem ble> เ อ, ออย่างนี้สิ่งอย่างที่ถึ ง, งจะใช้ได้ะไม่ต้องดีก็ได้นะเรียนกับหลวงพ่อเห็นกิเลสแล้วรู้ว่ามีกิเลสดีนะมาตรฐานหลวงพ่อถือว่าสอบผ่านแะ <S <S มีกิเลสรู้ว่ามีกิเลสใช้ได้มีกุศล ร, รู้ว่ามีกุศลใช้ได้มีกุศลไม่รู้ว่ามีกุศลใช้ไม่ได้นะนี่มาตรฐานนี่ไม่ใช่ของหลวงพ่อหรอกพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้จิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลดี เป็นกุศลไม่รู้ว่าเป็นกุศลอยู่ใช้ไม่ได้จิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลนะดีจิตอกุศลแล้วไม่รู้ว่าอากุศลนะเร็วสุดๆเลยรสชาตินี้เอาดีไม่ได้ละรู้สึกว่าอยู่ใกล้หลวงพ่อจะรู้สึกว่าเก่งกว่าปกติเป็นธรรมดานะมีนะบางคนไม่เตรียมตัวนะแอบมาถ่ายรูปหลวงพ่อแล้วไปขยายใหญ่ๆปิดไว้รอบบ้านเลยเสร็จ แ, แล้วพอเดินทันนี้สง่างนะ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 ถ้าหนูพูดแล้หนูก็รู้ตัวแ ล, ล้วหนูโกรธแล้อู๋ทำไมขังขยะไม่คายไม่คายกระ ด, ดาษทํำไมไมาคาย <im it> ท่านสอนให้น้อมหนูก็น้อมแล้วแล้วเราละเราเคยคายหรือปฏิเสธอันนี้กับอย่างนี้กับใครไหมหนูก็นึกขึ้นได้ว่าเออหนูเคยเวลาคนก็ชวนกินข้าวอะไรอร่ อ, รอยหนู อ, อ, อิ่มแล้วหนูก็อุย้ยแมว อ, อิ่มแล้วแม่ซื้อสุก ข, ข้าวมาวอุย้ยเจ้านี้ไม่เห็นอร่อยหนูเห็นตัวเองแล้วว่าโอ้เี่ยเราก็เป็น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 เดิมมีโทสะอยู่แล้วโทสะนุสัยอนุสัยตัวนี้สะสมมาแต่ชาติไหนๆสะสมมาเรื่อยๆพอกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีอนะุสัยนี้ก็ปรุงเป็นกิเลส ช, ชั่วยาบขึ้นมานะถ้ายังไม่กระทบอารมณ์ไม่ดีนะอนุสัยตัวนี้ก็ยังไม่ทํางานนะแต่ถ้าราคานุใสนะอนุสัยที่มีราคะพอกระทบอารมณ์ที่ดีเนะี่ยราคาจะทํางานขึ้นมานะเพราะฉะนั้นพออนุสยัยโทสะเนี่ยพอกระทบอารมณ์ไม่ดีปุ๊บอนุสัยพุ่งขึ้นมานะ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 อหลวงพ่อครับพอดีว่าขอเ อ, อ, อยากทราบว่าเกี่ยวกับการนําธรรมะครับหลวงพอ่อไปใช้ในการช่วยในการดําเนินชีวิตในปัจจุบันนะครับอย่างเช่นการประกอบอาชีพอย่างเงี้ยครับหลวงพอ่อว่าเราจะทำไงถึงจะเลือกทางเดินที่ถูกต้องได้ในการดําเนินชีวิตประจําวันครับเพราะบางครั้งอาชีพบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องบินเมกับการเรื่องของศีลอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นข้อมูสาอะไรเงี้ยครับหลวงพอ่อ คือเราคิดว่าบาทีต้องมุสานะถึงจะทำธุรกิจได้ดีแต่ถ้าลูกค้าเชื่อว่าเราไม่มุสานะธุรกิจน่าจะดีกว่านั้น <c oughs> หมดเวลาแล้วใช่ไ้ยเดี๋ยวหลวงพ่อฟาวเียนี้แต่หลวงพ่อมาสอนที่นี่เกือบปีละอันนี้เดือนธันวาแล้วพอหรือยัง <c oughs> จะได้เลิก <c oughs> <c oughs> ว่าไงว่าไง ยังเหรอรู้สึกเหนียวแน่นนะแต่พวกเรารู้สึกอะไรอย่างไหมพวกที่มาฟังหลายๆรอบเลรู้สึกไหมใจของเราสว่างมากขึ้นรู้สึกไหมรู้สึกไหมว่าเรารู้สึกตัวได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเห็นไหมความทุกข์สั้นลงสั้นลงรู้สึกไหมนี่ถ้าสังเกตนะคนไหนมีตาที่ไววๆหนะน่อยจะสังเกตคนในห้องนี้จิตสว่างสวยเยอะมากเล ย, ยจิตใจจะโปร่งจิตใจจะโลง่งจิตใจจะเปานะ เราสามารถวัดความเปลี่ยนแปลงของตัวเราได้ด้วยตัวเราเองแต่การวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติเนี่ยต้องวัดารายไตรมาสแบบสภาพัดนะหรือรายรายปีนี่หลวงพ่อกำลังชวนวัดนี่หลวงพ่อมาสาที่นี่ครึ่งปีละครึ่งปีกว่าๆตั้งแต่เดือนพฤษภาเว้นไปเดือนหนึ่งสวยโอกาสเขาบอกว่าเขาจะเลือกตั้งแล้วตามมาเขาบอกเขาไม่เลือกนะหลวงพ่อก็บอกไม่มาหรอก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 ส, ส้มาฝึด้วยกันทั้งบ้านนะเย็นทั้งบ้านเลยนะเย็นเยือกเลยไม่ต้องเปิดแอร์นะ<ม>ต่อไปคนในที่ทํางานก็เยน็นหลายคนมารายงานบอกเพื่อก่อนลูกน้องนะมันขี้เกียจนะมีคนหนึ่งมาจากเชียงรายบอกทําทธุรกิจใกล้เจงแนะ่นะเครียดมากเลยมาหัดดูจิต ด, ดูใจ ด, ใจดูสบายใจนะสบายใจเดินเข้าไปที่ทํางานทุกวันเคยหงิกหงอเครียดจัดในนี้เดินเข้าไปยิ้มแย้มสีแรกลูกน้องก็ผวานะน้กมาไม้ใหม่ นะต่อมาเออมยิ้มจริงๆเนี่ยดูมีความสุขจริงๆนะคนในรอบๆตัวเริ่มมีความสุขลูกน้องเคยแยกเคี่ยวใส่ลูกค้านะมันเริ่มมีความสุขมีความสุขเพียร์ค้าขายลูกค้ามานะยิ้มแย้มนะบระเด็นที่ออเดอร์เข้าเพียบเลยทําให้ทันเนะแี่อยู่ที่ใจเราเองนะใจเราพัฒนาใจของเราให้ดีก่อนคนรอบๆตัวมีความสุขขึ้นนะแล้วก็ไปดํารงชีวิตด้วยความมีเหตุผลด้วยความมีศีลธรรม และชีวิตก็จะดีขึ้นนี่เป็นพรทีใหม่นะพรที่ต้องทำเอาเองนะพรที่บอกให้ดีโชคดีดำเนิ น, นพรหลอกเด็กอ่ะพอ